ต่อไปสวดหน้าหนึ่งร้อยอุทิศนาทิถานคาถากรวดน้ำฮันธรรมะอย่างอุทิศนาทิธานคาถาโยพนามาเซนเอเมนะปุญญากามเมนะโอปัชายาคุณุตตราด้วยบุญ น, นี้อุทิทใย พระอุปชัชฌาย์ผู้เลิุณอาจาริโยบกการาจามตตาปิตาจยตาตะคาและอาจารย์ผู้เคื่อนนุนทางพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราจาคุณวันตานาราปิจา สุญจันและราชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมะมาราชาอินทาราโลกปาลราชาเทวตาพรหมและอินทราชทาั้งถวยเทและโรกบาลยามโมมิตามดุษยาสาจามาจจตาเวริกาพิจา ยมมาธาตุมาลุดมิตรผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเสัตตาสุขีหุนตัวปุญญานิปากตานิเมขอให้เป็นสุขสานทุกทัวนายยะทุกทนบุญพงที่ข้าทำจองช่วยอำนวยสุภาพน สุขันธ์จะทวิถิทางเต็นตัวเหตุปางปาเปทวมตาตังให้สุขสามอย่างร้อนให้รู้ถึงในผ่านพลันอิมินาปุญญากรมเมนาอิมินาอุทิซนาจาด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศให้ปวงสัตว์ เย็าหังสุนภเพเจวาตนอุปาทานเจตนาเราพันได้ซึ่งการตัดตัวดันหาอุปาทานเยสันตาเนหิตธรรมะยาวะเนิพาณตมะมังสิ่งช่วในดวงใจเว่าเราจะถึงนิพพาน นาสันตุสพพทาเยวาญาติชาตพระเอเวะมารายสิ้นจากสันดานทุกทุกภบที่เราเกิดปุจจิตังสติปัญญาสเลโกวิยามินามีจิตตรงแนะสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ ความทางความเพียนเนิ่เป็นเครื่องขูดจิเลทายมาลาภัน ต, นโ ต, ตนมมุโอกาสรงการุนจะววรเยสุเมโขกาจาพึงมีแก่มูมาสิาง่งทั้งหลายเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม พุทธาดิพาวโรนาโทตมโมนโทวรุตตโมพระโพธิปุโรหณะพระธรรมที่เบื้องุดมนาโทปเจกัพุทโธจักสังโทนาโทตารมังพระปเจกับพุทธสมโตประสง ที่พึ่งทำของเตโสตตมานุภาเวนะมารุคาสังลันตุมาด้วยอาุภาพนั้นขอหมูมานอย่าได้ช่องเลือ